บุญบาปดีชั่วถูกผิดไอกระแสของความเป็นคู่เนี่ยที่เป็นแขกจอนมาเนี่ยมีทั้งแขกหน้าขาวแขกหน้าดําแขกหน้าขาวคือแขกที่เป็นกุศลแขกหน้าดํำคือแขกที่เป็นอกุศลถ้ามีสติเนี่ยแขกพวกเนี้ยเข้าสู่จิตใจไม่ได้เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่จิตไม่ได้เขาจึงให้เราฝึกที่จะรู้สึกตัวไว้